แปลกอะไรมังจะกลับแล้วพวกนี้ก็เมื่อคืนก็แปลกว่าเดินเดินเดินไปป๊บอะกลุ่มหมาฮะสี่สี่ตัวก็อยู่ทางมุมต้นมะขามเทศเขาเห็นเราเดินเดินเดินเดินไปผ่านไปชั่วโมงฮะแล้วก็พักมานั่งแล้วก็ไปเดินใหม่เขาก็เดินรูปเข้ามาฮะเราก็แผลเขาที่แรกก็มองสงสัยหมามาหยอก เราก็เดินต่อสักพักก็เหมือนมาข อ, อเหมือนมาขอส่วนบุญเราก็เลยแผลเข้าไปพอแผลเข้าไปเขาก็เหมือนตาเขาจะแวววาวทีแรกตาเขาจะแบบแบบอ่อนๆนะครับะแต่พอเราเรารู้ว่าเขามาขอเราเนี่ยฮะเราก็เลยแผลเข้าไปเขาก็ตาแวววาวปุ๊บสักพักเขาก็ไปทั้งกลุ่มะจนกระทั่งวัาาวนเช้าดีวยก็เอ๊ะ เห็นเอารองเท้า ว, วางไว้บนกำะบุกำแพงเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวางไว้บนกำแพงแต่ผมก็วางไว้ข้างล่างเดินเข็นรถไปจนถึงถนนใหญ่จนจะครึ่งนี่ละนึกในใจเอ๊ะที่จะวางไว้ข้างบนสงสัยกลัวหมาขาบคิดในใจจะโทรหาลูกสาวแต่คิดไปว่าเอ๊ะไม่น่าขาบลล่ะคิดว่าไม่พวกนี้ไม่ขาบเราแล้วล่ะเพราะเมื่อคืนรู้กันแล้ว <c oughs> ก็คือก็คือเหมือนที่หลวงตาบอกนะครับคือสัตว์เขารู้ครับเขารู้ผมก็เลยว่าเออเขาก็น่าจะรู้ว่าเราแผ่บุญให้เขาอะไรเาเขาก็กลับมาก็รองเท้าก็เหมือนเดิมไม่มีเนี่ยครับมเมื่อเมื่อคืนเดินก็รู้สึกโปร่งโล่งสบายแล้วก็มันมันอิ่มดีครับแต่นี้ก็กลับเร็วเพราะว่าตีหนึ่งเพราะว่า ลูกสาเขาผิดไม่ไม่ชินที่เขาก็นอนไม่หลับแบบก็เลยก็เลยกลับไปก่อนะแต่วันนี้บอกพ่อย เ, เดี๋ยวพ่อเดินนานเลยนะนุ้นนอนไะด้ได้ได้เขาเหนื่อยก็เลยว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็คงกินดีครับลุงตาเด็กเข้าเพิ่งมาครั้งแรกไม่เคยออกมาลำบากแบบนี้เดินจะกรมให้มากเดินอนตอนนี้ยง รักษาจิตใจให้ดีตอนเริ่มก็จะได้ผลเยอะใจมันยิ่งโปร่งยิ่งโล่งยิ่งเบายิ่งสบายมันรักษาจิตใจอย่างนี้ดีเดินตั้งคืนยิ่งดีมากเดินลงตั้งคืนตั้งวันเนี่ยเพราะปกติก็จะเป็นคนอารมณ์บูบา่ามครับก็เมื่อคืนก็ ก่อนน้องแจ็ค ก, กลับว่าเอพี่ว่าพี่นั่งสมาธิช่วงอยู่วัดก็นิ่งพอออกมาข้างนอกเอ๊ะทำไมมันมันไม่นิ่งมันก็วูบไปวูบมาวูบไปวูบมาน้องแจ็ค ก, ก็เลยบอกว่าให้ถามหลวงตาให้พอดีมือเมื่อคืนหลวงตาก็ชี้แนะแล้วว่าให้จิตอยู่กับตัวตลอดนะคือเรากลายไป็นว่าเหมือนเราสมาธิพอเราอยู่สมาธิพอเรามาเจอโลกภายนอกปุ๊บจิตเราแว่ง แต่พอได้ทําจากหลองตาเมื่อคืนนะก็จิตอยู่กับตัวตลอดมันก็รู้สึกว่าเออเราไม่วูบว่าครับจิตเรามันรู้แล้วพอมาจะออกนอกก็เฮ้ยออกแล้วกลับมาใหม่กลับมาใหม่ฮะมันก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับมันจะวืบแล้วก็อาจจะมีแวบหนาแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ครับไ อ, อ้นี่สำคัญมากนะคืออใจอยู่กับตัวและจิตอยู่กับตัวเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเ เรา ไ, ไม่ได้ไปเดินพิธบานหรือว่าทางานในจิตประจําวันน่ะถ้าจิตอยู่กับตัวเราสบายเนี่ยอารมณ์สมาธิมันจะแน่วแน่มาเลยครับเพราะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราวุ่นมาทั้งวันวุ่นมาทั้งวันเสร็จแล้วพอเราเข้าห้องพระนั่งสมาธิปึ๊บเรานิ่งแต่พอออกจากห้องพักมาก็เหมือนเดิมครับคือ คือเรามาเจอโลกภายนอกอีกแกว่งอีกฮะดังนั้นก็เมื่อคืนก็ได้ทําจากหลวงตาก็คือว่ารักษาจิตอยู่ตลอดไม่เฉพาะว่าเข้าห้องพระนั่งสมาธิและอยู่กับตัวเองครั บ, รบอันนี้อันเนี้ยคือสําคัญครับกา ร, รที่มีสติรักษาใจให้อยู่กับตัวตลอดเนี่ยอันนี้คือธรรมครับธรรมคือการที่มีสติรักษาใจอยู่กับตัวเพราะว่าจิตส่งออกนอกตัวไปเนี่ย มันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตสมองออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตดูต่อทานจิตขณะส่งออกนอกเป็ น, น, น, ออ น, ปนมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคือสตินี่เนะี่ยเป็นตัวสําคัญที่จะคอยควบคุมดูแลรักษาไอจิตใจอยู่ในตัวของเราครับเป็นตัวนี้สําคัญต่อไปเดินจงกรม นานเท่าไหร่ก็ตามนั่งสมาธิเท่านานเท่าไหร่ก็ตามบอกว่าไม่ได้ทำงานอย่างอื่นไม่ทํางานสวนไม่ทํางานไม่ทาํางานนู่นทํางานนี่แต่เดินจงกรมไม่มากนั่งสมาธิให้มากแต่ใจไม่อยู่กับตัวแล้วจิตใจไม่อยู่กับตัวอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแต่ถ้ามีสติควบคุมจิตใจอยู่กับตัวตลอดเวลาอันเนี้ยมันจะจิตมันจะมีกําลังมากครับแล้วก็มีกําลังสติตัวเดียว สติรักษาไว้ครับกษาจิตใจไว้อยู่กับตัวอย่าเปิดจิตส่งออกนอกพอาะมาส่งออกนอกเป็นสมุทยมัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตรู้เท่าทันจิตขณะส่งออกนอกเป็นมนรออนนรผลในจิตเห็นจิตเป็นนิโรจนในขั้นแรกเนี่ยมันคือมันเป็นขั้นที่ว่ารู้เท่าทันจิตส่งออกนอกครับจิตส่งออกนอกข้างใดออกส่งออกนอกตัวข้างใดสติก็รู้เท่าทันส่งออกนอกตัวข้างใดสติก็รู้ท่าทาน รักษาจิตใจไว้อยู่ในในตัวของเราคาลิเจให้รักษาอยู่ในใจของเราตัวนี้จะให้มีกำลังจิตจิตจะมีกำลังมีอำนาจจิตเขาเรียกอำนาจจิตมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันต่อไปพอจิตใจมันอยู่กับตัวแล้วมันไม่ส่งออกนอกเราก็อยู่กับรู้ว่าอยู่กับรู้ว่าจิตใจมันอยู่ในตัวแล้วมันไม่ออกไปไม่ออกไปข้างนอก เราก็อยู่กับรู้อย่างนี่ยอยู่กับรู้อยู่กับรู้ว่าเนี่ยยันอยู่กับตัวไม่ออกไปข้างนอกครับอยู่กับรู้แล้วก็ไม่ไปหมกบุ่นอะไรไม่ไปหมกบุญข้างในไม่ไปหมกบุญข้างนอกเหลือแต่รู้เหลือแต่รู้สัตว์วรู้คมันจะพัฒนามันเองครับก็เห็นความเร็วของจิตที่มันออกไปมากขึ้นนะคะหลวงตาแต่ก่อนจะเห็นมันแบบไหลแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันปึ๊บไปก็เออเห็นมันเร็วขึ้นนะคะ น้องที่ตัวเราเ่ยนะน้องที่ตัวเราอย่าอย่าเอาตัวเราไปตั้งไว้ข้างหน้าเราแล้วก็เอาผู้รู้ไปไปเอาตัวเราเป็นตัวรู้ไปตั้งดูตัวเราเน่าข้างหน้าให้น้อมตัวเราเนี่ยตายหน้าเปลือผูพังซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซซ้ำซ้ำดเนี่ยอันนี้ดีมากเลยเป็นสุดยอดกรรมฐานเลยกาบพิณามนนาฏติเนี่ยเป็นสุดยอดกรรมฐานพิณามากเข้า องตาเรเห็นอารมณ์ ล, ละเอียดขึ้นนะภาวนานแล้วอารมณ์ก็ละเอียดขึ้นจิตใจก็ละเอียดนุ่มนวลมากขึ้นมองความตายในดีดีถ้าไม่น้องความตายมันจะอุว้ว ว, ว้าวุ้ววาคนเราอารมณ์จะอุ้ววาไปตามอารมณ์คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้กลัวความตายแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ความตายที่เราไม่เห็นมัน แต่ถ e ้าเรื Hoy, Why? Why it it ่องความตายเราไม่กล ism, uh> uh> oh, ัวแต่คนอื่นเขาอาจจะกลัวความตายเ้วก็เอ๊ะทำไมเวลาน้อมมันก็ไม่กลัวแต่ทําไมมันไม่ลงเนี่ยค่ะคาณอืมันขาดความต่อเนื่องที่ไม่ลงใจใจมันขาดความต่อเนื่องน้อมให้ต่อเนื่องมากๆอยู่ในความสงบเนี่ยอยู่ในสถานที่สงบสับ้างอยู่ห่างกายจากหมู่คณะอ่างกายจากการงานละที่ ไปวางการงานมาแล้วก็ไปอยู่อย่างเนี้ยอยู่ในที่จะสงบมันก็จะนอน ง, ง่ายจิตใจมันละเอียดอ่อนแล้วเนี้ยเวลาดูหนังสือสอบนก็ง่ายเพราะว่าการที่มีอารมณ์หวือหวามันเป็นกรรมติดจิตมาเกิดมาแล้วก็มีอารมณ์หวือหวาวือหวายมันเป็นกรรมที่ติดจิตมาเป็นอาสวะเหลืออนุตัส เป็นกลเลสเครื่องนอนสันดานแล้วก็นอมพิณามากเข้าให้อยู่ในตัวเราเนี่ยน้อมอยู่ในกายก็อยู่ในกายในใจของเรานเนี่ยน้อมเขาหเห็นว่ากายก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงน้องออกกายก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงมาส่งออกนอกจากที่พินานางเปิดผูกฟางพุบดูถ่านปั๊บเลยแล้วก็กลับมาน้อมต่อใหต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยน้อมได้สบาย น้อมถึงตัวเราตายน้าเปื่อยผุพังตายน้าเปื่อยผุพังน้อมน้อมเล่นๆแต่น้อมต่อเนื่องไม่ขาดสายน้อมเล่นๆแต่น้อมต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ได้น้อมมันเครียดแต่ความสาคัญอยู่ตรงต่อเนื่องไม่ขาดสายน้อมให้ตัวเรานะไม่ใช่เอาตัวเราไปเพ่งภาพเน่าเปื่อยข้างหน้าน้อมตัวเรามัน่าพ่อพ่อยแก่เจ็บตายมีสภาพเป็นยังไงน้อมเข้าอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นได้ ไมคิดเรื่องอื่นเลยอยเวนแต่เราตั้งใจจะคิดมีความจำเป็นจะไปคิดเรื่องอะไรก็ตั้งใจคิดเอ้มันจบเสร็จแล้วก็น้อมเรามีความตั้งใจจะไปตั้งใจว่าจะไปคิดเรื่องอะไรก็คิดให้จบแล้วก็กลับมานอมน้อมความตายหน้าเปลผูกผุพังเราทำอย่างนี้ไม่นานนะมีแค่น้อมคืนเดียวยังจิตใจยังมีความละเอียดละเอียดมากขึ้นละเอียดขึ้นเยอะของ ลองเหมือนกันนะลองลองปอใจสงบแล้วมันน้อมคร น, นะน้อมเห็นเราแก่เจ็บตายเน้าเปื่อยหังสลายเป็นกี้เท้าทุรีพอเป็นโครงกระดูกก็ไฟเผาให้หมดอนะ่ะให้เป็นกี้เท่าทุรีไปลอยน้ําทิ้งรังคาทิ้งทิ้งหมดไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือตัวเหลือตนแล้วก็น้อมอีกซ้ำๆเนี้ยพอสงบแล้วก็น้อมจะติดอยู่ในแค่ความสงบนะมันจะไม่มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไร พอสงบแล้วก็น้อมสงบแล้วก็น้อมสงบแล้วก็น้อมอย่างเงี้ยซ้ำํำๆๆ้ำๆพอเราน้อมเห็นตัวเองตายนาอกระเบิยผุพังความแก่ความเจ็บความตายตามน้าระเบิดผุพังสลายไป็นธาตุดินน้ําลมไฟเป็นอากาศธาตุพราะมันเห็นเริ่มเห็นชัดๆมากขึ้นน่ความสงบมันก็จะสงบละเอียดขึ้นเมื่อมีความสงบละเอียดขึ้นเวลาน้อมมันก็จะเห็นชัดขึ้นใจก็จะปร่งไปวางมากขึ้น นั้นถ้าเรายิ่งน้อมได้ละเอียดเพียงใดก็ตามเห็นชัดตัวเราที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหน้าเผยแพรฟังถ้าเราน้อมจนเห็นชัดแล้วเนี่ยละเอียดอยู่ต่อเ น, นื่องไปขาดสายใจก็มันจะมีความสงบละเอียดมากเลยีแ่แทบไม่ต้องไม่ทันจะนั่งสมาธิบางทีไม่ทันจะชักขาเข้ามาเลยจิตมีความสงบแหละมีความสงบก่อนฮะกอดสงบจะสงบง่ายมากถ้า น้อมพีนาศจนชัดเจนแล้วต้องหมั่นขยันน้อมพินาศครับน้อมอย่างเงี้ยน้อน ม, มากๆครับมีประโยชน์นะนีคุณอนั้นตมรณานุนานานสติกรรมฐานเนี่ยเป็นสุดยอดเลยสุดยอดกรรมฐาน<ม>พวกอารมณ์กรรมพวกอะไรมันจะค่อยๆมอดไหม้ไปอารมณ์การมมรณาลาขมันจะค่อยๆมอดไหม้และสุดุดับสนิทเวลาโลกธาตุระเบิดมันดับสนิทไม่เหลือนะ ธรชาตินี aded, this this ้ไม่ไปรู้อรหันเวลาไปเกิดใหม่พวนี้ต่อสายเหมือนเลยเอาไปต่อสายนึกน้อมทีนึกน้อมมันนรู้สติมาพุบสงบเลยนึกน้อมอย่างอื่นไม่สงบเพราะนึกวันลาวติเสงบเลยมันไปต่อสายไม่หายไปหรอกไปต่อสายก็ตั้งแต่หลวงตามาจนกระทั่งวันเนี้ยมันรู้สึกว่า มันความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะครับคือไอ้ที่ดินหล่นหาความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็สงบละก็คือไม่ค่อยมีอะไรก็เหลือแต่ว่าพิณาปล่อยวางในขณะปัจจุบันนะครับหลวงตาคราวนี้เมื่อกี้ฟังหลวงตาสอนเรื่องพิณากายครับก็อยากพิณามั่งครับหลวงตาง ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะตอนนี้ผมเข้าใจชัดเจนขึ้นเรื่องที่ว่าพอใจมันไปสงบแล้วเราเห็นความสงบแต่เราไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงคือทำงานทุกอย่างเป็นความเป็นจริงไม่ต้องไปส่งอารมณ์นิ่งสงบไว้แล้วเราก็พิจารณาทำกลางความเป็นจริงเนี้ยพิจารณาทั้งกายทั้งจิตอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหลวงตา ก็ถ้าสมมุติว่าผมรู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหาคือมันยึดติดยึดถือมากเราก็มาพิณากายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับคือสมมุติว่าเริ่มรู้สึกเรามีอารมณ์เือวาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มาพิณากายพิณายอย่างที่หลวงตาบอกให้คนอื่นๆพิณาครับอย่างเงี้ยมัจะช้า จะเออพอเรามีมีอารมณ์มีอะไรแล้วค่อยมาพิจารณามันจะช้าก็ให้พิจารณาต่อเนื่องกันไปเลยเวลาต้อพิจารณาต่อเนื่องจิตจะละเอียดขึ้นมีความสงบหลังมากขึ้นจิตมันจะปรงไปวางมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นก็เห็นการพิจารณากายเหมือนเป็นการทํางานทางโลกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับต่อเนื่องไม่ขาดสายก็ยิ่งพิจารณามันยิ่งละเอียดก็เหมือนกับเราเห็นอารมณ์ของจิตละเอียดขึ้นก็จะเห็นกายละเอียดแล้ว um ม erm ันก็จะ สลายไปก็แล้วแต่เราจะเห็นมุมไหนจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นกายอยู่เป็นธาตุอยู่คราเนี้ธาตุที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่มุมปกติก็ได้ใช่ไหมครับหลวงตาคือบางทีผมไปเห็นบางทีเห็นเป็นกระดูกไปแล้วแล้วก็ค่อยให้มันแตกสลายไปภายในรีมก็แตกเปียบปาเปียบปากอย่างเงี้ยครับหรืออันนั้นไม่ใช่มันเป็นลักษณะของกรสินของท่านแล้วกระสินคือเอาเอาภาพตัวเรา โขกระดูกระอะไรไว้ข้างหน้าแล้วตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่แล้วเราเพ่งกระสินนึงจริงๆคือมันต้องน้อมที่ตัวเราเอามาแล้วก็ต้องเป็นตัวเราสดๆแล้วก็ค่อยลอกเนื้อลอกหนังลอกกระดูกใช่แล้วถ้าผมค่อยๆเห็นหัวใจเต้นเห็นชีพจรเคลื่อนไหวแล้วค่อยๆลอกมันออกตามที่ผมเห็นอย่างนี้ได้ไหมครับจะได้ได้ยก่อนที่ตัวเราลอกออกไปจนไม่เหลืออะไร ครับแต่ถ้าอันนั้นผมจะมโนนึกภาพขึ้นเราอันนั้นจะเป็นกระสินใช่ไหมครับแล้วถ้ า, ถาพี่นตดกระสินคือมันจะเอาไอตัวเราเนี่ยเอาภาพตัวเราตั้งไว้ข้างหน้าแล้วตัวเราอยู่ข้างหลัง เ, เพ่งตัวเราแต่ถ้าเป็นภาพขอตที่ถูกต้องคือต้องน้อมตัวเราว่ามีความแก่เรามีความแก่แก่เราจะมีสภาพเป็นอย่างไรเจ็บใครได้ดป่วยตายแล้วมีสภาพเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราพิจารณาจิตก็คือจิตปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องไปทำอะไรใช่ไหมครับหลวงตาถ้าถ้าเป็นจิตนะฮะถ้าเป็นจิตมันก็คือไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับก็เขาปล่อยวางจิตทุกกริยาการปัจจุบันที่มันปรากฏจิตทุกคิดทุกอาการที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ย มันไม่มีใครไปดูไปรู้ไม่มีผู้ดูผู้รู้ปรากฏมีแต่จิตที่คิดแสดงกิริยาการขึ้นมาในปัจจบุบันทุกขณะปัจจบุบันแล้วไม่มีใครเข้าไปสวยไม่มีใครเข้าไปลองรับไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางทุกขณะจิตปัจจุบันที่มันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีอาการเกิดขึ้น แล้วก็ไม่มีใครก็ไปยึดถือไ ม, ม่ใครก็ไปรองรับปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางปล่อยวางก็คือปล่อยวางไม่ได้ไปไปจับปล่อยอะไรคือทุกขริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน่ะไม่มีใครไปลองรับไม่มีใครไปยึดถือตรงเนี้ยก็คือการปล่อยวางจิตสองอย่างนี้ทําไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหยครับหลวงตาต้องยากขาดเลย ถ้าทําไปได้ไปตั้งสองอย่างถ้าไปพร้อมกันมันจะไม่ชัดไม่ชัดตั้งสองอย่างเราเราต้องรู้สังเกตตัวเราเองว่าเราชัดเจน้านไหนเราจะพ้นทุกข์ด้วยอะไรเราต้องอ่านใจเราให้ขาดต่อไปงั้นกลุ่มๆเครื่องๆหมดเลยถ้าอ่านใจตัวเองให้ขาดก็หม่ยความว่า ถ้าเราพิจารณาส่วนไหนเนี่ยกิเลสมันบางเบาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันน้อยลงหรือไงครับหลวงตาหรือว่าอย่างของท่านโอเนี่ยมันใช้ความคิดมากกว่าเอาตัวเราเนี่ยไปคิดค้นหาเหตุผลมากกว่ามากกว่าที่จะปล่อยวางคือของท่านมันจะเข้าใจโดยใช้ระบบของการคิดคิดคิดคิ ด, คดหาเหตุหาผลแล้วก็ปล ง, งปล่อยวาง ไปตามเหตุผลที่คิดมันเป็นคิดคิดคิดแต่ไม่ได้ปล่อยวางกริยาการที่คิดแต่เราใช้ตัวเราเนี่ยเป็นคนไปคิดหาเหตุผลเพื่อความปล่อยวางมันลยยากที่จะที่เป็นการปล่อยวางจิตจนถึงขั้นที่ตุดที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะว่าเราเอาตัวเราเป็นคนไปคิดถ้าอย่างนั้นผมจะพินากายจะดีกว่าใช่ไหมครับ ใช่เราเราคิดว่าเอาความคิดอน่ยมาคิดคาดพินากายไปไปรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าเพราะว่าฉันตนัดที่จะใช้การคิดมาคิดน้อมคิดพินาแต่เรื่องกายของตัวเองอย่างเงี้ยจะดีกว่าได้ครับจะได้จะได้ไม่ต้องไปพินาจิตไปวางจิตครับหลวงตามีอะไรแนะนำอีกไหมครับ ตัวเนี้ยใชความคิดเนี่ยมาคิดน้องเป็นาศกายต่อเนื่องไม่ขาสายครับมันจะไปค่คอยลงแก่ใจลงแก่ใจลงแก่ใจไปเรื่อยๆก็แล้วแต่มุมไหนเราจะแยกฉี้แขนฉีกขาทำอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวเราให้มันรู้สึกว่ามันอยู่ที่ตัวเราอือชัดเจนที่ตัวเรา ใ, ให้มันสลายหายขอให้มันอยู่ในวงของกายเนี่ยครับที่ไม่เที่ยงแหะแต่ก็น้อมมาต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน ขอให้มันอยู่ในวงของการพินากายที่ไม่เที่ยงจะแยกผมขนเล็บฟันหนังเลยเองกระดูกตับไตไส้ย่อยไส้ใหญ่ม้ามตาปอดหัวใจเป็นของแข็งเป็นธาตุดินโยนออกจากร่างกายเราไปให้มันเน่าอัไหนโยนธาตุโยนออกไปแล้วก็เน่าเปื่อยบุพพามจะไหเป็นดินไปแล้วก็เป็นน้ําเลือดน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันเป็นธาตุน้ำธาตุน้ําก็ปล่อยมันระเหยไปหายไปยนก็ทั่งไม่เหลืออะไรหรือมันเน่าเลยก็ได้ตัวเราตายเน่าเน่าขึ้นอืด เราเห็นได้ไหนชัดบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปไล่เลียงมาก่อนดีมันขึ้นเห็นตัวเราเน่าเลยขึ้นอึนตายเน่าเปื่อยหูพังเราก็พิจารณาที่ตัวเราตายเน่าเปื่อยหูพังขึ้นอึด้วยครับก็คือก็ต้องน้อมให้มันติดจิตเลยแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยในมโนนึกก็ให้มันคิดพิจารณาเรื่องกายแต่จกายเน่าเปื่อยหูพังหรือพิจารณาความตายของเรา ว่าเดี๋ยวเราตายเราเป็นยังไงอะไรอย่างไงอะไรเหลืออยู่บ้างก็คิดพิจาร์อย่างนี้ตลอดแล้วผมคิดพิจาร์อย่างนี้ด้วยได้ไหมครับดวงตาตคือมันมีสังขารกายสังขารจิตเนี่ยครับผมก็คิดพิจาร์ไปเรื่อยว่าออาอรมณ์ความรู้สึกความคิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยู่กับเรามันก็ดับไปสัญญามันก็หายไปเงี้ยครับคือพิจาร์ให้ทุกอย่างที่มันปรากฏต่อหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปดับไปเงี้ยครับพิจารณาพิจาร์าเงี้ยไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่ามัน มันก็เข้าใจแล้วมันก็ไปวางก็ได้เนี่ยก็เรียกว่าพินาขันห้าครับพินาขันห้าคือรูปเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเลยอะไรติดอะไรคายอยู่เราก็รู้ว่าอ๋อมันก็ดับไปความเป็นตัวตนความทาได้หมายรู nee. ้สัญญาสังขารวิญญาณอะไรเงี้ยครับมันก็ดับไปหมดแต่ทีนี้เราต้องเป็นคนที่ฉลาดแหลมคมมากเลยคือเมื่อใดที่เราหลงไปคิดหาเหตุผลวิเคราะห์อันนั้เราเริ่มไม่ใช่ปล่อยวางแล้ว อันนี้เป็นใช้ระบบของสัญญามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการปล่อยวางขันหน้าแต่เอาขันหน้าไปไปคิดน่นคิดนี่คิดหความเข้าใจก็เวลาเวลาผมไอ้นี่ยครับหลวงตาเวลาผมรุดออกมาคือว่าผมก็รู้ว่าไอ้ความรู้ความเข้าใจอันเนี้ยครับมันก็ดับไปเราตายไปมันก็ไม่มีความรู้อยู่ครับหลวงตาไอ้ที่ห า, หาอยู่มันก็ทิ้งมันก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับหลวงตาผมผมก็ คือจังหวะที่มันติดอยู่ในความคิดไม่รู้แต่พอปุ๊บผมก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งเนะี่ยความรู้ความเข้าใจที่พยายามดิ้นรนอยู่เนะี่ยมันก็ดับไปดับไปพร้อมกายมันเอาอะไรไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็คือก็พิณาทุกอย่างมันก็สูญไปดับไปครับหลวงตาอืมก็ได้ mm hmm. แต่อย่างเงี้ยก็ถ้าพิณากายอย่างเดียวจะดีกว่าใช่ไหมครับถ้าถ้าเราพิณาก็คูไปไงี้ก็ได้เป็นพิจรณาเขาเรียกว่าขันห้าพิณาขันห้าครับแต่ทำอย่างไรท่านถึงจะ คือมันเป็นความคิดที่ท่านปูต่ตมวดเนี่มันเป็นความคิดที่ท่านเข้าใจมันไม่ไปถึงความไม่เคลื่อนไหวมันไม่ไปถึงความไม่เคลื่อนไหวทุกอย่างเคลื่อนไหวแต่ใจไม่ปรากฏ ทุกอย่างเคลื่อนไหวใจไม่ปรากฏมันยังไม่ไม่ไปถึงตัวนี้มันเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวตลอดของการหายหผลคปก่์ต้องกามเข้าใจแต่มันไม่ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเคลื่อนไหวแต่ใจไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏความไฝ่ของใจไม่ปรากฏอะไรเลยทุกอย่างเกิดดับเกิดดับไป ทุกกิริยาอาการเกิดดับไปในใจที่ไม่เกิดดับมันต้องประเกตตัวนี้ออกเป็นนัสกสเกตตัวยงเลยแล้วถึง จ, จะปล่อยวางขันห้าที่ถึงจะถึงวิญญาณขันไดอันนั้นเม่นการพิ่าราจิตหรอือเปล่าครับหลวงตาัรนไหนก็พิ่าณาจิตเนี่ยกายและจิต ป่อยวางถึงขันท่าเลยปล่อยวางถึงวิญญาณขันท่าเลยไอันนี้รือเปล่าครับหลวงตาคือไอตัวที่ผมคิดวิเคราะห์วิจารเนี่ยไอตัวมุนจีจีเนี่ยมันก็คือ ต, ตัวตัวคืนนะครับตัวไอเนี้ยเขาเรียกว่าตัวปรุงแต่งไอตัวรูว้คือวิ ญ, ญญาณวิญญาณท่าวิญ ญ, ญาณขันไม่ใช่ตัวเนี้ยครับหลวงตาออันอันอันนั้นคือพิณาจิตใช่ไหมครับ เซลเวินตทีที่เกนจิตกัวิญญาณอคนจิตกับวิญญาณจิตวิญญาณอคติคือที่หลวงตาจะอธิบายคือมันปล่อยวางทั้งกระบวนการทั้งรูปกายจนเข้าไปถึงวินญาณอคติจากรูปที่ยับที่สุดจนเข้าไปในวิญญาณอคติที่มันละเอียุด นี่คือปล่อยวางลวดเลยตแต่กายที่ยาบละเอียดที่สุดเวทนายากลองมาสัญญาหยากองมาสัญญางาสขารจะถึงวิญญาณส่วนใหญ่ลูกศิษย์หลวงตาจะพิจารณาในรูปแบบนี้ ก, นกันเกิดหลายหลายคนเลยสับสนว่าจะเลือกอย่างไหนดีเลยไม่เข้าใจว่าเลยเข้าใจว่าตัวเองจะต้องเลือกพิจารณาอะไรกายหรือจิตจริงๆแล้ว ให้พิจารณาจากรูป ก, กายที่หยาบเข้าไปจนถึงวิญญาณอาคารทั้งกระบวนการที่มละเอียดที่สุดใช่ใก็คือไอวิธีการแล้วก็การกระทําทั้งหมดอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเวลาเราเข้าไปที่สัญญาแล้วมันก็ทํางานอันนั้นก็คือเราก็ติดมันเป็นตัวเคลื่อนไหวที่ลังตาบอก มันก็เป็นความปุงแต่งทั้งหมดใช่ไหมครับก็คือถ้าไปถึงตัวรู้ที่ไม่ใช่ตัวปุงแต่งเนี่ยก็ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวอันนี้มันก็จะไม่ใช่อันนี้ครับที่ที่หลวงตาบอกจะให้ไปถึงก็คือถ้าผมเข้าใจอันนี้ผมก็พิจารณาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหลวงตานะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจอะไรชัดถึงใจครับแต่ถ้าเข้าใจอันเนี้ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าแม้การไปพิจารณา มันก็ยังเป็นความปรุงแต่งอย้่เราก็เข้าไปเป็นมันแล้วก็นั่งพิจาพินาอยู่เรื่อยๆคือเราเข้าเป็นตัวเคลื่อนไหวปุงแต่งใช่ไหมฮะคือเหมือนว่าผมเข้าใจคือความรู้สึกของผมนะครับดวงตาเหมือนว่าลวงตาบอกเนี่ยผมก็เข้าใจแล้วผมเข้าใจว่าผมรู้แล้วก็เข้าใจที่ลวงตาสอนด้วยคือ ก็เข้าใจว่าอ๋อเนี่ยมันคือความเคลื่อนไหวนี่คือความปรุงแต่งแล้วขนาดจิตบางขนาดจิตมันก็มันก็เข้าใจมันก็เป็นด้วยที่ผมเข้าใจนะฮะหลวงตา mm hmm. คือพอมันเป็นแล้วเนี่ยไอ้ไอ้สัญญาที่คุยกับหลวงตาถามกับหลวงตาอะไรเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีคุณค่ากรับใจอ่ะครับ mm hmm. คือมันก็ไม่ได้กระโดดเข้าไปต้องการความรู้ความเข้าใจหรืออะไรงไงแต่เขาคงเห็นมันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ครับหลวงตา mm hmm. เขาเนี้ยอันนั้น่ะมันคือผมเข้าใจมันคือการพิจารณาจิตแต่เขาเนี้ยที่หลวงตาบอกว่ายังไงของผมมันก็ยังเป็นความคิดอยู่ออืก็หมายความว่าไอ้ที่ผมเห็นอนะ่ะมันก็ยังเป็นความคิดมันยังไม่ได้แบบเคยเห็นจริงๆริใช่ไหมครับถ้าเคยเห็นจริงๆแล้วมันก็จะไม่กลับไปกลับมาแล้วครับหลวงตา น้องก็ยังกลับไปกลับมาได้คือมันยังเห็นแว บ, บหนึ่งน้องก็หายไปที่ท่านบอกว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงปฏิพานมันค่อยๆเห็นแล้วละ่ะทําเห็นแล้วละ่ะพบใจพบธรรมพบใจแล้วละ่ะแต่มันยังไม่ไม่ถึงใจคือมันยังแวบหนึ่งน้อก็หายไปไม่ทันไอ้ที่ผมเข้าใจว่าผมเห็นเนี่ยมันมันมันเคยเห็นไหมครับน้อง ถ้าถ้ามันท่านถ้าท่านเนี่ยมันจะมันถ้าท่านเห็นมันเนี่ยพบใจจริงๆท่านจะไม่ถามใครแสดถ้าถามแสดงว่าจะไม่เห็นเพราะว่ามันจะเป็นใจปุ๊บจะพูดไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรไม่สามารถใช้คำบรรยายได้แล้วถ้าถามใครก็ไม่ได้คือมัน เราจะไปเราจะถามใครยังไงเราพูดไม่ออกว่ามันคืออะไรผู้รู้พูดไม่ได้ผูพ้พูดได้ไม่รู้ผู้รู้ไม่คิดผู้คิดไม่รู้ไงมันก็เหมือนพิรรางกายมันยัองหยาบ อ, อยู่ครับหลวงตาคืออันนี้ผมเข้าใจนะแล้วพอไปถึงตรงนั้น่ะจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างละเอียดที่สุดพอละเอียดที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่ผมเข้าใจนะหลงวงตา มันไม่ใช่ว่าพอเราไปเป็นความไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแล้วมันมีความเคลื่อนไหวอยู่คือทุกอย่างมันเป็นอันเดียวกันไปเลยมันปุ๊บไปเลยอะครับหลวงตาแล้วมันก็กลับมาเคลื่อนไหวต่ออืที่ที่ที่ผมเข้าใจว่าผมเคยเคยเคยพบมาครับหลวงนาพอปุ๊บแล้วมันก็มามีความเคลื่อนไหวต่อมันจะไม่ได้คาอยู่อะไรเงี้ยมันคาไม่ได้แล้วมันไม่ได้คาครับมันมันเหมือนกับการที่เราต้องกอเทป บนฝั่งัําไปซ้ำมาเหมือนที่ก็การพิจารณาก็ต้องพิจารณาสัมไปส้ำ ม, มาซ้ำไปจนจนมันเป็นจริงเหมือที่หลวงตาว่าตอนแรกมันก็เป็นคิดคิดอย่างที่เราคิดว่าเราเข้าใจคิดว่าเราเข้าใจก่อนพอสุดท้ายแล้วมันก็ถึงถึงลงแก่ใจว่าอ๋อเชื่อจริงๆว่าอืสิ่งนี้มันเป็นเป็นกับเราจริงจริงนะฮะตา คือการคิดวิเคราะห์กับการพิจารณาการปฏิบัตินะครับมันต่างกันยังไงครับหลวงตาการคิดวิเคราะห์มันเป็นขั้นปัญญาขั้นที่สองคือสุตตมยะปัญญาขั้นฟังเราเนี่ยจินตาจิตันวิเคราะห์นี่คือจินตามยะปัญญาปัญญาขั้นที่สองปัญญาขั้นที่สามคือมันต้องรู้ต้งเห็นต้องเข้าใจต้งใจเป็นเป็นภาวนามยยะปัญญา มันจะแตก ต, ต่างกันไม่เหมือนกันคือผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยนะฮะหลวงตาไอผมรู้ผมเข้าใจใจเป็นเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยใจไม่เป็นคือมันจะเล่าร้อนกับความรู้ความเข้าใจที่เข้าใจครับใจมันจะไม่สงบเล้วร้อนแต่ถ้าใจสงบมันทั้งรู้ทั้งเข้าใจแต่ใจมันสงบไปด้วยคือไม่ไม่ไอคิดอะ่ะ มันก็คิดอยู่แต่ใจมันสงบเหมือนมันกิเลสมันสงบระงับอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเดี๋ยว่ยังเป็นนแค่ระงับในขั้นจินตามรยาปัญญาก็ยังแค่คิดคิดแล้วเข้าใจจริงใจก็สงบถ้าภาวนามันต้องเข้าไปไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอครับใช <ๆ S 2> ่ใช่แต่ถ้าขั้นภาวนาเนี่ยก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าพ้นทุกข์ใช่ไหมครับหลวงตาเพียงแต่ว่าไปพบเห็นช่สภาวะพนทุกข์บ้าง คือผ ม, ผมเนี่ยเหมือนภาวนามาผมว่าผมสงบเอผมไม่ยึดแล้วผมเข้าใจสภาวะอะไรเนี่ยผมผมก็ยังเป็นแค่จินตามานปัญญายังไม่เคยไปเจอความที่พ้นทุกเลยใช่ไหมครับยังไม่เคยพบธรรมเลยใช่ไหมครับคือคือไอตัวผมหมงเขาจะเอ้ยเราเคยไปเจอบางช่วงบางขณะที่เป็นแต่เขาเนี้ยหลวงตาบอกเอ้ยยังไม่เคยเจอเลยคุณยังอยู่แค่คิดยังไม่เคยไปพบมันใช่หมฮะไม่ใช่ไมมแต่ว่า ไอ้ตรงนี้ถ้าท่านเจอมันนะท่านจะท่านจะไอ้ตรงนี้ท่านจะไม่ต้องถามใครใจท่านยังสงสัยอยู่แสดงว่ามันยังไม่ใช่เฮ้ยไอ้ น, นี่มันมันใช่หรือเปล่าอะไรเงรี้ยแต่เราเคยเจอเสร็จแล้วเราจะไม่ถามเจอสภาวะนั้นน่ะหรอครับหลวงตาอืมพบใจคือถ้าพบใจเสร็จแล้วก็ไม่ถามพบใจแล้วพบใจพบธรรม พบใจที่ว่าก็คือพบผู้รู้ที่มันไม่ต้องไปมาต่อแล้วใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องสงสัยแล้วแล้วก็รู้มันไปอย่างนั้นก็จบแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ยังเป็นยังเป็นสัญญาที่คิดเอาขัดวางเขาคือถ้ก็วางไปเรื่อยๆถ้าก็วางจิตที่มันคิดปรุงแต่งไม่ว่าจะคิดละเอียดอย่างไดเร็วปานใดก็ตามวางไปเรื่อยๆไปวางไปเรื่อยๆไปวางไปเรื่อยๆ ตรงเว้นการจการใช้ระบบการคิดวิเคราะห์แต่ถ้าจะคิดวิเคราะห์ต้องมาวิเคราะห์ที่ร่างกายไหมเอาความคิดมาวิเคราะห์ร่างกายเพราะร่างกายมันคิดวิเคราะห์ได้จิตบ่คิดวิเคราะห์ร่างกายได้แต่ถ้าเราไปคิดวิเคราะห์จิตเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวคิดตอนคิดคิดตอนคิดคิดตอนคิดใช้จิตมาวิเคราะห์กายได้แต่ว่า สมมุติว่าเต็มที่เราก็จะปรุงได้แค่สมาธิใช่ไหมครับตรงตาจิตเนี่ยมันมันมันก็แค่ไปจับอารมณ์ได้อย่างเดียวผมปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ไปแค่จับอารมณ์คือถ้าเราเห็นกิยุทธอาการจิตที่มันเคลื่อนไหวมันวับแ ป, ปแ๊เราก็ปล่อยวางมันอย่างเงี้ยครับอืออันนี้ถูกไหมครัถ้า อ, นนอย่างนี้เรียกว่าฝึกขาดการภาวนาวิญา ญ, ญาแต่ถ้าใช้ระบบความคิด คิดไปวิเคราะห์เรื่อยๆจะเป็นจินตามะยะปัญญาคือเหมือนผมคุยกับหลวงตามันต้องใช้ความคิดนะครับหลวงตามันก็ต้องเป็นคิดใชครับเพราะว่าไม่งั้นผมจะคุยกับหลวงตาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าภาวนาเนี่ยรู้อะไรก็ได้แต่ละแต่วางปล่อยวางมันก็ไม่มีอะไรหยิบอะไรคว้ามาได้มันก็ได้แต่ปล่อยไปทุกอย่างมันไม่ได้ต้องหยิดนะครัอืมกิริยาอาการอะไรในจิตก็วางไปวางไปอืมอย่างเงี้ยก็อย่างเี้คือภาวนาที่หลวงตาพูดใช่ไหมอ่าก็ ก็อย like ่างเงี้ยครับหลวงพ่ผมก็เห็นก็รู้อย่างเงี้ยเรื่อยๆผมก็ภาวนาอย่าเงี้ยแต่นี้ก็ยังเป็นความคิดอยู่ละคือผมรู้แวก็าวางแล้วก็วางเราต้องแยกออกเองตรงเนี้ยอืมคือไม่มีใครช่วยท่านได้ตรงนเนี้ยเนี่ยคือตัวของท่านต้องแยกออกเองแล้ววางว่าเรายังใช้ระบบความคิดอยู่หรือว่าเราปล่อยวางทุกคิดตรงนี้ไม่มีใครช่วยใครได้นะตรงเนี้ยผู้ิภาวนาตรงนี้สําคัญมากถ้าเรายังแยกไม่ขาดว่าปล่อยวางทุกคิดกับ อย่างใช้คิดอยู่มันจะฟ้ากับดินอเนี้ยคืออย่างนี้ครับหลวงตาที่ผมคิดว่าผมอ่านคาบเนี่ยคือเหมือนพิณากายเหมือนกันครับถ้าทำเหตุคือพิณากายเพื่อปลงปล่อยวางกับจะเอาเอาผลอันเนี้ยพิณากายด้วยกิเลสก็ผิดทางแต่พุทธะก็คือความไม่ยึดติดยึดถือพิณาเพื่อปล่อยวาง เหมือนกันจิตเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เราคิดเราจะเอาความรู้ความเข้าใจเราจะเอาอะไรแต่ถ้าเราปล่อยคือเห็นกินเลสาการของจิตแล้วก็ละวางวางไปเรื่อยๆอันนั้นอะถูกอันนั้นคือหนทางของพุท ธ, ธคือพินาปล่อยวางแต่ถ้าเคนาเพื่อจะเอารึส่วนใหญ่มันเป็นความคิดมันโลภมากมันอยากได้ผลมากอยากได้ความรู้ความเข้าใจถ้ารู้แล้วละรู้แล้วละอี่ย ค, ครับหลวงตา ผมก็เลยช่วงนี้ผมก็เหมือนสงบแล้วก็ไม่เล่าร้อนก็คือรู้กริยาการอะอยาคิดอะไรไงก็ปล่อยหรืวาวางไปหมดทุกเรื่องทุกอย่างเหมือนกับฟังธรรมก็ฟังอย่างนั้นฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ละวางมันไม่ได้ไปยึดจะเอาความรู้เอานั้นเอา น, น, อานี่อะไรอย่างเนี้ยฮะอันนี้มันถือเป็นการพิจารณาจิตด้วยไหมครับแล้วก็พิจนารณาด้วยแหนะ็นกระว้ ก็ถ้าฟังที่หลวงตาพูดก็คืออยากให้พินาากายใช่ไหมครับถ้าเป็นจิตผมจะไปเป็นคิดไม่ใช่ไม่ใช่แเขาจะผิดคือท่านอ่านตรงไหนให้ขาดตรงนั้นเนี่ยอ่านใจของตัวเองให้ขาดว่าเราเนี่ยถ้าเราอ่านชัดตรงเนี้ยระหว่างคิดกับการปล่อยวางคิด อ่านตรงเนี้ขาดเรามั่นใจมากเลยตรงเนี้ยเราก็เดินทางตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องบอกว่าเน้นคนนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้ทต้องนั้นก็ เ, เห็นว่าช่วงจังหวะอย่างนี้ยควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นอนของผมนะฮะหลงตาคือผมตั้งแต่เริ่มภาวนาของผมมันจะง่ายง่ายๆเลยที่ผมเมื่อก่อนผมภาวนาเมื่อเข้าใจก็คือผมคิดว่าผมปล่อยวางหมดเลยคือสละไปเรื่อยๆผมมีความรู้ความเข้าใจอะไรผมก็เหมือน โยนทิ้งถวายพุทธเจ้าไปเลยมันก็จะมีความรู้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยได้แต่ปล่อยได้แต่วางไม่ใช่ว่าไปพยายามคิดถ่ายเหตุผลแล้วมันจะรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆพอภายหลังเนี่ยหลวงตาบอกให้คิดผมก็เลยมาจีคิดก็มีความเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจละเอียดแล้วยิ่งไม่ค่อยเข้าใจและจิตมันก็เหมือนมันทึบมันแน่นมันเข้าไปเรื่อยๆแต่ผมได้แต่รู้แล้วก็วาง แต่เมื่อก่อนเวลาผมรู้ผมวางเงี้ยผมจะไปจับว่างจับนิ่งจับไม่คิดแต่ครั้งนี้ผมรู้ผมวางแต่ผมไม่ได้จับไม่ได้จับอะไรพอไม่ได้จับมันรู้มันวางแต่มันตื่นอยู่มันไม่ติดอะไรเลยเนี่ยมันก็รู้มันก็วางแล้วมันความรู้เนี่ยเหมือนสมัยตอนแรกแรกที่ผมเริ่มภาวนามันขึ้นมาเยอะมากก็คือยิ่งวางยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจเงี้ยครับหลวงตาแล้วมันก็ ยิ่งว่ามันก็ยิ่งว่ายิ่งสงบแล้วก็ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจนะฮะหลวงตามันไม่ได้เออเหมือนเกา่าครับอืมออันเนี้ยผมเขา <S <S เข้าใจว่าผมอะพิจณาจิตได้ก็เห็นตัวเนี้ยได้แล้วมันก็จะยิ่งละเอียดไปเรื่อยเพราะเวลาผมเห็นที่ให้มาพิจาณากายกันนะครับหลวงตามันต้องปรุงขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ต้องอยู่กับไอ้ตัวนั้นนะครับนั่งพิจารณาอยู่กับมันตลอดกา ย, ยตลอดผมว่ามันเป็นเหมือน มันจิตล้วอ่ะไปติดอยู่กับเรื่องเนี้ยเราไม่ได้วางเรื่องนี้ไปอะครับหลวงตางก็เลยผมก็เลยสับสนสองอย่างว่าถ้าพิารณากายมันน่าจะหลงเนาะหลงหม้อยแต่ถ้าพิจาณาจิตมันน่าจะหลงยากแต่เวลาผมพิาณากายผมรู้สึกมันเป็นงานงานที่ยังอยากอ ย, กอยู่เราทําเพื่อเราอยากพ้นทุกข์แล้วเราทํางานหนึ่งประจําทั้งวันทั้งคืนนะหลวงตางก็เลย ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันยังไงก็ต้องอ่านใจเองดูแล้วก็ทําเอาเองน้องพุธาใช้คำว่าปัญญาของเจ้าตัวคปัญญาของเจ้าตัวต้องสังเกตเอาแล้วดีขึ้นมังไหมครับหลวงตามผมผมมีปัญญาดีขึ้นมั้งไหมครับการปฏิบัติต้องอ่านใจตนเองนะ่ง ว่ากิเลสเราเนี่ยมันมันน้อยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่คือการปฏิบัตินะต้องอ่านใจตัวเองเองไม่ดีกับไม่สามารถเราจะไปถามใครได้เพียงแต่ ว, ว่าเรารู้ตัวเองว่าอย่างเนี้กิเลสเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เปิมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าพินากายหรือพินาจิตดูที่กิเลสมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หลวงปู่ดูลนตุโลว่าพินาไปเจอแล้วบอกปุณยว่า กิเลสหายไปหนึ่งในสี่เปอร์เ็นตหายไป 1, หนึ่งในหนึ่งในสี่ส่วนลูปูมัน่นบริเตตบอกว่าใช่กิเลสหายไปสองส่วนท่านก็ไปไปรายงานลูปูมั่นว่าดูจิตแล้วกิเลสเห็นจิตอย่างนี้เห็นอย่างงี้กิเลสตับไปแล้วสองส่วนลูปูมั่นว่าใช่คือทุกคนต้องอ่านอย่างเงี้ยพิจาณากายก็ต้องอ่านตรงนี้ว่ากิเลสเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปกี่ส่วนกี่ส่วนท่านต้องอ่านเอง แล้วถ้าผมทําอย่างเนี้ครับหลวงตาผมรู้สึกว่ามันง่ายมากไม่ต้องทําอะไรอยู่กับปัจจุบันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาหมกมุ่นคุณคิดพุ้นวายกับเรื่องธรรมเรื่องโลกใ<ม>ดๆก็ตามเนี่ยมันมีกิเลสผมว่าละ<ม>แล้วก็วางเนี้ยอามีกิเลสทางธรรมเอาไม่ว่าจะพิจารณาจิตพิจารณากายนั้นนี่โน้นยกอะไรมาทุกคน ม, มีกิเลส<ม>ก็วางใจก็เป็นปกติเดี๋ยวก็ไปอยากได้ทางโลกก็วางก็รู้เงี้ยละอย่างเงี้ยผมรู้สึกอันเนี้ย คืออันนี้มันเป็นทางที่ตรงที่สุดไม่ใช่ทางกายทางจิตอะไรอันนั้นก็ยังอาศัยสัญญาปุงรู้ว่าเพื่อนกิเลสก็ว้างก็เป็นปกติอย่างนี้ครัหลวงตาผมรู้สึกว่าอย่างเนี้ยในในความคิดผมนะครับที่ที่ ท, ท, ที่ที่ไม่ได้ฟังหลวงตางไม่ได้ฟังพ่อแม่หูวใจอันนี้มันเป็นทางชัดเจนและเคลียรกิเลสในจิตได้ชัดเจนปัจจุบนันเลย<ๆ>ก็อ่านใจเองให้ขาดให้มีกิเลสต่อสิ่งใดแม้ว่าจะคิดหรือไม่คิดอยู่เฉยเนี่ย กิเลสมันเด้งขึ้นมาเราก็รู้อ๋อนี้ก็ละวางไปอย่างเงี้ยฮะอืมถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ชัดเจนเลยไหมครับหลวงตาค่ะได้คือผมในในจิตผมคิดว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันชัดเจนปุ๊บเดี๋ยวพอเราวุบขึ้นมาคิดนั่นคิดอะไรเงี้ยก็เป็นกิเลสแล้วก็ละก็วางไปอย่างเงี้ยฮะหลวงตาก็แล้วแต่มันไม่มีสไตล์แต่เราดูว่าอันไหนกิเลสตัณหาเราเบาบางความยึดมั่นถือมั่นเบาบางแต่ที่ผมอ่านของตัวเองก็คือว่าต้องมีสติ ต้องมีสติตลอดแล้วก็ละวางแล้วที่ผมดูอีกอย่างหนึ่งที่มันผิดบ่อยๆก็คือว่าเมื่อไหร่เราไปจับผลนะคะหลวงตามันจะกลายเป็นในจิตในความรู้สึกของผมก็คือว่าพุทธะเนี่ยมันคือสไตล์ที่มันจะต้องพ้นโลกแล้วก็ปล่อยวางทุกภพแต่ผมไปเป็นภพเปรตคือผมจะเอาจะเอาจะเอา มันตรงข้ามกับมรรคผลนิพพานที่หอวงตาชอบพูดนะครับว่าโอ้ยมันจะเอาจะเอาอันนั้นมันคือเปรตมันก็เลยจิตมันก็เลยปวนแปร ى, กลายเป็นยึดมั่นถือมั่นก็คือถ้าถ้าละวางตัวนี้ได้ที่มันจะเอาจะเอาเนี่ยการปฏิบัติก็ง่ายขึ้นหลวงตามีอะไรจะแนะนำไหมครับอัินแรกเดินทางสายนี้เนี่ยอจารย์บอกว่ามันอย่างเงี้ยมันง่ายับรเราท่านก็เดินเดินตรงนี้นนแนว จะกลับไปกลับมาแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไอ้ใจที่ส่งไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเนี่ยมันน้อยลงแล้วครับหรวงตามนไม่ค่อยมั่วมากหลวกตาพี่นาเห็นตรงนี้ด้วยไหมครับอืมเราตรงเนี้ยพอส่งไปยุ่งคนอื่นก็เป็นกิเลสสออกนอกเราก็เห็นมันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เร็วแเรวก็ตรงนี้เลยอ่านใจให้คาดอานกิเลสให้ขาด the